บุกทูเจ็ดสิบเก้าเซ็เด็กน้คำคุณศัพท์สองอด jectivoy ดูดิฉันสวมชุดสีฟ้ามีชุดาัสบนรอบมดิฉันสวมชุดสีแดง มิซูรา์าบสรูจันรบิดิฉันสวมชุดสีเขียวมิซูร์าบัสเฟรดรอเิดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำมิอาเชตันิกนาโกดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลต ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวมีอดิฉันต้องการรถคันใหม่มบจอนัสโนวันเอลท์ดิฉันต้องการรถความเร็วสูงมีเบจอนัสพีดนเอลทดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย มีเบนัสคอเฟิร์ต a l เอผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน s ู p r e l o โลจ m สมาลิอุนา i วรินอผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน s ู p r e l o โลจัสดิคาเวรินอผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง malsupre l o โ a จ s ส i v o l e m a v เ r i n น แขกของเราเป็นกันเองนิยาย์ัสตยแอสติสซิมพาติย์ฮอมแขก ข, ข, ของเราเป็นคนสุภาพนิยาย์ัสตยแอสติสเจนทีไลฮอมแขกของเราเป็นคนน่าสนใจ น, น, นิยาย์ารัสตอยแอสติสอินเทเรสไซฮอมไดิฉันมีลูกที่น่ารัก มีฮาบัสอเมนไดน์อินฟาโนยแต่เพื่อนบ้านมีลูกโซนเซดล์ในบารอยฮาบัสอิมเพอร์ตินแนนไดน์อินฟาโนย์ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะชูวิยอินฟาหนยเอสตัสอาฟาบไล